การทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรค่ะผ่านมาประมาณ1 2บสถึงสิปีในหมู่บ้านแห่งนั้นก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคุณหญิงเป็นลูกของกำนันหมู่บ้านอายุประมาณ30ปีคุณหญิงเป็นคนที่สวยค่ะแต่ว่าได้ครองตัวเป็นโสดแล้วก็ไม่เคยมีสามีด้วยความที่เป็นคนสวยก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนกันมาจีบแต่ว่าคุณหญิงเองก็ไม่เคยสนใจ คราวนี้เนี่ยทางเกษตรอำเภอก็ได้ส่งข้าราชการมาดูทำเลเพื่อจะทำฝายทำคลองส่งน้ำเข้านาก็ต้องมาสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้นอนค้างที่บ้านกำนันจึงได้รู้จักกันกับคุณหญิงแล้วก็ได้ชอบพอกันก็เลยตกลงแน ะ, ะว่าจะแต่งงานกันก่อนจะถึงงานแต่งประมาณ1เดือนค่ะเวลาประมาณช่วงเย็น ก็มีคนพบเห็นว่ามีผู้ชายขี่รถจักรยานมาที่หน้าบ้านของกำนันแล้วเรียกคุณหญิงออกไปพูดคุยที่รั้วหน้าบ้านจากนั้นเวลาประมาณสองทุ่มคุณหญิงก็คว้าจักรยานขี่ออกไปคุณแม่ก็ได้ถามไปแน่ว่าจะไปไหนดึกดื่นป่านนี้แล้วคุณหญิงบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่ท่าข้ามท่าข้ามเนี่ยก็จะอยู่เลยจากบ้านคุณหญิงไปประมาณ1กิโลเมตรเป็นที่สาหรับซักเสื้อผ้านะคะแล้วก็ติดคลองจุนประทานด้วย จากนั้นคุณหญิงก็หายตัวไปและในคืนนั้นกัานันก็ได้นำสมัครพรรคพวกออกตามหาแต่ว่ายังหายังไงก็หาไม่พบเนะะียคะจากบ้านไปจนถึงท่าข้ามขวามือก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆซ้ายมือก็จะเป็นป่าแผ่รกมืดทึบทุกคนก็ได้เข้าไปหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอค่ะจนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งตำรวจก็ได้เข้ามาร่วมด้วยแต่ก็จนปัญญา หลายคนคิดนะฮะว่าคงจะถูกคนฉุดไปก็มีชาวบ้านแนะนำให้ไปถามร่างทรงที่น่าเชื่อถือในตำบลร่างทรงบอกว่าให้กลับไปหาที่ป่าภัายอีกรอบแล้วจะเจอเองเมื่อได้ยินร่างทรงพูดแบบนี้เนะคะ่ะคุณแ ม, ม่คุณหญิงเองถึงกับเป็นลมทันทีค่ะเพราะคิดว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับคุณหญิงแล้วแน่นอนทุกคนก็เลยกลับไปที่ป่าภัายอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ว่าคราวนี้เดินลึกเข้าไปอีกสุดเขตของป่าไผ่ก็จะเป็นคลองก็มีผักตบชวารกๆปรากฏว่าไปเจอศพคุณหญิงอยู่แถวนั้นท่อนบนเปลือยเปล่าแต่ว่าท่อนล่างใส่ผ้าถุงอยู่ตั้งแต่ใต้ลำคอมาจนถึงท้องน้อยเนี่ยถูกผ่าเอาเครื่องในออกอวัยวะต่างๆก็ถูกเอาไปแขวนไว้บนต้นไผ่แบบกระ จ, ระจายมีนกกาคอยบินจิกกินอยู่หลายตัวค่ะ ชาวบ้านก็เลยนำเอากระสอบมหาห่อศพแล้วก็หามกันออกมาจากที่ตำรวจชันสุดศพเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบร่องรอยของการถูกข่มขืนที่หน้าผากก็มีรอยมีดกรีดเป็นกากบาดลึกลงไปจนถึงโครงกระดูกเลยนะคะหลังจากนั้นตะซ้อนค่ะซึ่งเป็นคนหาจับกบจับเขียดขายเป็นอาชีพกี่จักรยานผ่านดงไผ่หูก็แววได้ยินเสียงคนเรียกบอกนาาซอนตซ้อน น้าซอนก็หยุดจั ก, กรยานแล้วก็หันไปมองตามเสียงค่ะพระจันทร์ยังคงฉายแสงส่องลงมาลางๆก็เห็นเป็นผู้หญิงเดินโซซัดโซเซออกมาจากป่าไผ่ที่มืดทึบ แต่ว่าหน้าแปลกนะฮะที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใส่เสื้อผ้าตัวขาวซีดตั้งแต่คอหอยลงมาถึงท้องน้อยเนี่ยแหวะเป็นโพรงค่ะปากก็พูดบอกน้าซ้อนช่วยดูคนที่ค่าชันหน่อยลุงซ้อนไม่รอช้าค่ะคุณผู้ฟังทิ้งจกักรยานวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงกลับบ้านทันทีรุ่งเช้าหลายคนก็ได้เข้ามาสอบถามแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อเนื่องจากว่าลุงซ้อนเองเนี่ยแกเป็นคนขี้เมาเรื่องก็เลยไปถึงหูคุณหญิง คุณหญิงพอรู้ว่าลูกสาวของตนเองเป็นผีมาหลอกหลอนคนค่ะก็เลยล้มพับลงไปอีกรอบหนึ่งเรียกว่าเสียใจจากที่ลูกตายก็เป็นลมไปแล้วพอมารู้ว่าลูกตายไปไปเป็นผีเที่ยวหลอกหลอนคนก็เสียใจอีกเป็นรอบสองแล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปอีกนะคะ หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่วันค่ะพวกผู้ใหญ่ได้ไปงานประชุมที่อำเภอแล้วก็ได้มีการดื่มเหล้ากันบ้างขากลับก็นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อน2กันมา2คันจนเกือบจะถึงเขตป่าภายอีกประมาณ 3-4 วาค่วอาค่ะอยู่ๆไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ขาดทั้งสองคันก็เลยจอดรถลงไปดู แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีลุงคนนึงก็จุดบุหรี่ขึ้นสูบหางตาก็เห็นลักษณะคล้ายกันกับขาคนห้อยอยู่ประมาณระดับคอในป่าไผ่พอหันไปดูก็เจอแต่ความมืดหลังจากงมซ่อมกันอยู่นานก็เลยตัดสินใจขี่รถกลับบ้านทั้งแบบนั้นแหละนะคะพอควบมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทเครื่องก็ได้ยินเสียงเหมือนน้ำค่ะหรืออะไรสักอย่างตกอยู่ด้านหลังเสียงดังแผะเลยนะคะซึ่งทั้งสีคนที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วจึงรู้ดีว่าไม่ควรทัก แต่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดลงมาจากที่สูงว่าเก็บให้ฉันหน่อยสิทุกคนก็เลยหันไปมองตามเสียงก็ไม่พบอะไรบนต้นไผ่แต่เป็นอะไรสักอย่างดำๆกองอยู่บนพื้นค่ะพอเพ่งมองดูสักพักปรากฏว่ามันคือพวกเครื่องในลำไส้ตับไตทุกคนเนี่ยสางเมากันทันทีค่ะ อึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดลงไปในทุ่งนาที่มีน้ำขังอยู่ดังตู้มเลยนะคะแล้วก็เสียงวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนน้ำกระจายทุกคนหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งนั้นนอกจากความมืดสี่คนเนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์ค่ะวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านจนเป็นเรื่องโจดขานกันทั่วหมู่บ้านมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นวันพระใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนั้นจะมีลุงสติไม่ค่อยดีอยู่คนหนึ่งกินนอนอยู่ศาลารอรถ ช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นอยู่ๆลุงก็วิ่งไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วก็ร้องตะโกนบอกว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะแล้วก็วิ่งไปเขย่าประตูรัวบ้านกำนันตะโกนว่าหญิงมันจะกลับมานะหญิงมันคิดถึงบ้านแล้วลุงก็วิ่งหายไปชาวบ้านที่ได้ยินต่างตกใจกลัวค่ะคืนนั้นจึงไม่มีใครกล้าออกจากบ้านปิดบ้านกันตั้งแต่6กโมงเย็นก็ปรากฏน ะ, ะว่าคืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่ม เสียงหมานี่หอนกันระงมตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านขานรับกันมาเป็นช่วงๆพร้อมกับเสียงคนลากอะไรบางอย่างได้ยินชัดเจนค่ะเสียงดังครืดครืดมาตามถนนลากมาเรื่อยชาวบ้านที่สงสัยก็ลองแง้มหน้าต่างดู ดวงจันทร์มันเดินหงายก็ยังพอส่องแสงลงมาบ้างก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงเปลยท่อนบนเดินเท้าเปล่าลากกระสอบมาตามถนนแล้วก็หยุดเดินล้วงมือเข้าไปในกระสอบแล้วก็ดึงเอาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแต่ว่าไม่มีหัวนะมายืนอยู่ข้างๆกันค่ะแล้วก็ยืนร้องไห้โหยหวนส่วนร่างที่ไม่มีหัวก็ควานมือไปมาในอากาศเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่าง เสียงร้องหวยหวนมันแทรกลึกเข้าไปในหัวใจแม้แต่เด็กที่ได้ยินยังต้องหยุดร้องไห้ค่ะชาวบ้านต่างหวาดผวากันคิดว่าเมื่อไหร่ภาพเหล่านี้มันถึงจะหายไปสะทีสองร่างนั้นพากันเดินต่อจนถึงบ้านกำนันเวลาประมาณตีสองค่ะกำนันก็เปิดไฟจนสว่างโร่ทั้งบ้านกำนันรีบวิ่งลงจากบ้านแล้วตะโกนเสียงดังว่าทำไมมาหลอกชาวบ้านทำไมไม่ไปหลอกไอ้คนดีค่ะไม่หามันมาสิค้าจะบ้าแล้วนะ แล้วก็เอาลูกซองมายิงขึ้นฟ้าคืนนั้นชาวบ้านก็ยังได้ยินเสียงคล้ายกลับลูกมะพร้าวอะกลิ้งไปตามถนนทั้งคืนค่ะหลังจากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านก็เลยต้องหาทางยุติเรื่องนี้ก็เลยไปถามเกจิอีกอำเภอหนึ่งเพื่อที่จะได้หาทางช่วยปลดปล่อยวิญญาณของอคุณหญิงเนี่ยนะคะ ลุงปู่ท่านบอกมาประโยคเดียวว่ายังไม่ไปยังไม่ถึงการเวลาถ้าป่าไผ่ยังไม่ลุกเป็นไฟเพราะที่ตายเขาคือที่นี่แต่เขาดิ้นรนพยายามจะไม่อยู่ที่นี่ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจกับเผาป่าไผ่ทั้งหมดเลยก็มีรเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีชาวบ้านผ่านซากป่าไผ่ที่มีแต่ขี้เท้าเนี่ยนะคะจะเห็นผู้หญิงนั่งพิงจอมปลวกอยู่ท่ามกลางเท่าฐานดามืด คุณแม่ของคุณหญิงเคยฝันว่าคุณหญิงมาหาที่หน้าบ้านแต่ว่าขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าเท้าขาดทั้งสองข้างได้แต่ตะโกนอยู่ตรงตีนบันไดว่าข้อเท้าหนูไม่มีหนูขึ้นบ้านไม่ได้แม่ไปหามาให้หนูหน่อยหาคนฆ่าหนูมาหน่อยจนเวลาผ่านไปหลายปีค่ะเรื่องราวก็ซา ล, ลงไปบ้างส่วนป่าไผ่ที่ถูกเผาไปแล้วก็น่าแปลกนะเพราะว่าต้นไผ่ก็ยังผุดแสกขึ้นมาจนโตกลายเป็นดงไผ่าตามเดิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะคือที่ประเทศลาวเมื่อประมาณ13ปีที่ผ่านมาคุณตูนนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศลาวเนื่องจากว่าแฟนของคุณตูนเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายลาวแล้วลูกพี่ลูกน้องของแฟนเสียอยู่ที่ลาวค่ะก็เลยชวนคุณตูนเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยบ้านแฟนจะอยู่ในเขตหลวงพระบางก็เลยเดินทางจากหลวงพระบางขึ้นเหนือไปอีกประมาณ15กิโเมตรเรียกว่าบ้านมอม ซึ่งลูกพี่ลูกน้องของแฟนผูกคอตายทั้งทั้งที่กําลังตั้งท้องได้6เดือนชื่อคุณจันทร์นะคะวันที่คุณตูนและก็แฟนเดินทางไปถึงก็เป็นวันที่3ของงานศพค่ะจัดขึ้นที่วัดลักษณะก็เป็นป่าไม่ได้เจริญอะไรมากมายตั้งศพไว้ในสาลาการ์ปรเรียนทำจากไม้ยกเสาขึ้นมาด้วยปูนถัดไปด้านหลังก็จะเป็นป่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวัน จะไม่มีคนมาร่วมงานศพเลยก็เลยทําให้วัดนี่ดูค่อนข้างวังเวงคนเริ่มมาร่วมงานกันช่วงเย็นนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มค่ะคุณตูนแล้วก็แฟนเดินเข้าไปทานข้าวที่เต็นท์ข้างวัดซึ่งเป็นจุดไว้สําหรับอาหารแจกจ่ายในงานค่ะเต็นท์เนี่ยก็จะทําอาหารจะอยู่ติดกับป่าช้าข้างวัดซึ่งก็เป็นป่าทึบมีเพียงรอยทางเดินเล็กๆนะคะตัดผ่านเข้าไปในป่าในขณะที่คุณตูนนั่งทานข้าวอยู่กับแฟนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่ง เดินผ่านความมืดออกมาแฟนคุณตูนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อคุณน้อยเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีแม่ครัวก็เลยร้องทักขึ้นบอกเอา้าน้อยมาจากไหนกินข้าวมาหรือยังอะ่ะมากับใครคุณน้อยก็ตอบว่ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยมากับจันแม่ครัวได้ยินแบบนั้นก็ตกใจค่ะจนตลิวหลุดมือต้องถามย้ากันอีกครั้งเผื่อคุณน้อยจะพูดผิดแต่ว่าคุณน้อยก็ยังยืนยันคาเดิมบอกมากับจันขอข้าวกินหน่อย ทุกคนในที่นั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะคะคุณน้อยก็เข้ามานั่งทานข้าวคนเดียวสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่แถวๆป่าข้างเต็นท์คุณตูนก็เลยหันไปมองค่ะเห็นลักษณะเป็นเงาดำของผู้หญิงเหมือนกำลังอุ้มลูกอยู่ในอกแต่เห็นเป็นเพียงเงาลางๆยืนอยู่ในความมืดแม่ครัวที่กำลังทำกับข้าวอยู่ก็ตะโกนถามออกไปบอกใครผู้หญิงที่ยืนอุ้มลูกอยู่ในความมืดตอบกลับมาด้วยเสียงเยือกเย็นบอกจันจันเองป้า สิ้นเสียงคําพูดนี้คุณผู้ฟังแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยทิ้งข้าวของวิ่งี่ขึ้นไปบนศาลาการปะเรียนอย่างอุดตลุดแฟนก็จับมือคุณตุนแล้วก็วิ่งตามแม่ครัวไปเช่นกันเวลานั้นบนศาลามีพระกําลังสวดกันอยู่ทุกคนวิ่งเข้าไปร้องโวกเวกโวยวายกันจนผู้คนแตกตื่นจนหลวงพ่อท่านต้องลุกขึ้นมาถามแม่ครัวต่างแย่งกันเล่าค่ะสิ่งที่เจอมาพอพระได้ยินเช่นนั้นก็พากันกลัวค่ะสวดผิดสวดถูก อึดใจต่อมานะคะด้านนอกก็มีลมพัดเข้ามาวูบหนึ่งหอบเอากลิ่นสาบลอยเข้ามาเต็มศาลาตามด้วยเสียงลั่นของอะไรสักอย่างดังเตะนะคะทุกคนต่างนั่งมองหน้ากันด้วยความวิตกคิดกันไปต่างๆนานาสักพักหนึ่งเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดังมากกว่าเดิมค่ะพร้อมกับโลงศพแตกหักจนศพกับน้าแข็งที่อยู่ในโลงเนี่ยกลิ้งตกลงมาบนพื้นศาลานะคะ ทุกคนที่นั่งอยู่บนศาลาค่ะก็แตกเฮือวิ่งหนีกันออกจากศาลาการเปรเรียนแทบจะเหยียบกันตายเลยทีเดียวไปรวมกันอยู่ที่โบสถ์มีพระรูปหนึ่งค่ะก็ได้ตามเจ้าอาวาสที่กุฏิหลังจากเจ้าอาวาสมาถึงก็ฟังเรื่องทุกอย่างท่านก็พูดด้วยสีหน้าหนักใจบอกดูท่าทางโยมจันเนี่ยจะไม่เป็นสุขแน่ท่านก็ได้รวบรวมชายชะกันที่มีความกล้าประมาณ 6- 7คนเนี่ยค่ะไปช่วยกันยกศพขึ้นไปวางไว้บนโลงเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจารตา โดยปกตินะคะจะต้องตั้งศพไว้5วันแต่ว่าจเจ้าอาวาสบอกเผาพรุ่งนี้เช้าเลยหลังจากรวบรวมชายชากันมาได้เจคนค่ะซึ่งคุณตูนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็เดินตามกันเข้าไปในศาลาแต่ว่ายังไม่ทันที่จะขึ้นไปบนศาลาด้านบนเนี่ยนะคะไฟที่อยู่รอบศาลาค่ะก็ดับพรึบลงทันทีคุณตูนใจหายแวบเลยนะคะจาก ที่อยากจะวิ่งกลับไปรวมกับคนในโบสแต่ก็กลัวหน้าแตกชาวบ้านก็เลยตามไปไปตามคนมาเช็คดูไฟให้หลังจากไฟติดคุณตูนแล้วก็คนอื่นๆก็เดินกันขึ้นไปบนศาลา หลังจากที่ก้าวขาขึ้นไปเหยียบบนศาลาปรากฏว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะชอบใจอยู่แถวหลังม่านที่ตั้งโรงศพพร้อมกับกลิ่นศพลอยอบอวลทั่วศาราค่ะทุกคนยืนอึง้งขาตายสนิทมองหน้ากันเลืล้อยลัรู้สึกถึงบรรยากาศอันเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในโรงแช่เนื้อชั่วอึดใจจากเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้ครวญครางปานจะขาดใจเสียงมันเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของคุณตูนเนี่ยฮะรู้สึกกระอักกระอ่ะอวนอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าท่านจะาอาวาสไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น ท่านเองก็นําเดินเข้าไปยืนอยู่ข้างๆศพเสียงทุกอย่างก็เงียบหายไปทุกคนก็เลยช่วยกันหอ่อศพแล้วก็ยกขึ้นไปวางไว้บนโลงศพเช่นเดิมแล้วก็กลับไปรวมกันที่โบสถ์เหมือนเดิมนะคะพอรุ่งเช้าก็ช่วยกันยกลงศพไปเข้าเมนเผาศพหลังจากที่ทุกคนเดินลงมาข้างล่างต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กกับผู้หญิงร้องไห้อยู่ในปล่องเมนจนท่านจะเอาวา่าต้องเดินไปพูดที่ประตูเมนว่าโยมจันทรโยมจันทร์หมดบุญแล้วนะปลงได้แล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่บอกว่าสยดสยองเลยแหละค่ะแค่เล่าไปก็คิดภาพตามไปเนาะเป็นอัตตะวินิบากกรรมนะคะที่ผูกคอตายก็ต้องอยู่ชดใช้กรรมของตัวเองไปตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมานะคะ ในปีพศ2537 2538ค่ะเรียกว่าเป็นยุคหนังขายยาครองใจมหาชนกันเลยทีเดียวสำหรับปุถุชนผู้คลุกคลีอยู่กับยาถ่ายพยาธิยาน็อกซี่ตรารูปนักบินอวกาศบนแผงช่วงนั้น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 ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปเป็นเพื่อนนาะข้างในหน่อยนะ้าปวดฉี่เดี๋ยวนะ้าให้สตังกินนมตอนนั้นเนี่ยบอมบอกบอมก็ลังเลเพราะว่าห่วงเล่นแต่ว่านาคนสวยส่งเสียงว่วอนชวนไม่หยุดแถมเอาตังมาล่อบอมก็เลยเดินตามไปจนมีแต่ป่ากรอบตัวบอมก็บอกว่าพอแค่นี้เถอะไม่ไปแล้วหนังฉายแล้วนาะคนนั้นเขาก็หยุดแล้วก็บอกว่าจะฉี่ห้ามไม่ให้บอมแอบดูบอมก็รับปากบอกว่าจะไม่ดูแล้วก็หันหลังให้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 ก็เอามือคลำหัวร้องไห้พอจะขยับไปทางไหนก็เจอแต่ผนังสักๆทุกด้านบอมตะโกนเสียงร้อง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 ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อก็เลยก้มลงเอาปากแนบรูตะกนกลับแล้วก็มีคนช่วยกันทุบขยายรูเอาตัวออกมาถึงได้รู้ว่าว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ฐานเจดีเก่าพวกชาวบ้านที่มามุงเขาก็ขันไปคุยกันเสียงอื้ออึงต่างๆนานาพวกผู้ชายที่เขาไปเจอก็ช่วยกันทุบก็บอกว่าตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงดังมาจากฐานเจดีนั้นพอเข้าไปใกล้ๆ ก, ลก็เลยรู้ว่าเป็นบอม